ท่ผู้ชมคะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมากราบมนณะสการพระอาจารย์คือคริปโสธทิพโลเพื่อที่จะได้กราบเรียนฐานกําถามต่างๆจากท่านนะคะก่อนอื่นเรามาในมรสการท่านพร้อมๆกันก่อนคะ่ะ ไมยาเริ่มที่คำถามซึ่งมีผู้ฝากไว้ก่อนนะคะกลับเรียนให้ท่านช่วยยกธรรมะที่ตรัสโดยพระศ า, าสดาแก้ปัญหาให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมักมีมานะคิดว่าตนเองดีกว่าเก่งกว่าโดยเฉพาะการตีความผิดในเรื่องธรร ม, มาราโมมีทรรมเป็นที่มายินดีคือเห็นใครทำความดีก็อยากทาบ้างและอยากทาให้มากกว่า แต่เป็นเป็นในลักษณะแข่งแย่งกันท่านจะดูไหมครับก็คือธรรมารโมเนี่ยมีทาเป็นที่มายินดีแต่ถ้าแล้วก็เห็นใครทําความดีก็อยากทําบ้างมันก็เป็นสิ่งดีๆซึ่งมันจะอยู่ในในข้อที่พระองค์บอกว่าให้เป็นผู้จับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้น เห็นอะไรเป็นกุศลต้องน้อมเอามาทำและต้องมีความยินดีในการที่จะประพฤติธรรมะและอยากทำให้มากกว่าแต่เป็นไปในลักษณะแข่งแย่งกันดังนั้นถ้าทำให้มากก็แข่งกับตัวเองเนี่ยได้ทำให้มากขึ้นดีขึ้นเจรลิญขึ้นซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปแข่งกับคนอื่น ซึ่งอินทรีย์ปารมีแต่ละคนไม่เท่ากันไม่อาจที่จะประเมินบุคคลคนอื่นได้นั้นเรามีหน้าที่ว่าเออเราจับ่วยความเป็นกุศล เ, เราเห็นเขาทำดีแบบนี้เออดีนะเรามาทำบ้างแต่ถ้าเราเห็นเขาทำไม่ดีเราก็ต้องใช้สันเหกธระทำก็คือเห็นเขาพยาบามเราจะไม่พยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียน เห็นเขาฤิศยาจะหนีโออวดมายานะกระด้างดูหมินท่านลบหลู่คุณท่านตีตนเสมอท่าน น, นี่กิเลสพวกเนี้ยนะเราจะไม่ทำนี่เรียกว่าสันเตธรทมใช่ไหมนั้นก็ต้องดูว่าที่บอกมาทั้งหมดมันก็มีทั้งได้ปะไม่ได้ปาส่วนตัวที่ค่ะเรียกว่ามานะคือมีความรู้สึกว่าเออเรามีธรรมะเรารู้ธรรมะ คนอื่นนี่เขายังไม่รู้ธรรมะหรืรู้ว่าไม่เท่าเราทําให้เราทรมองตนว่าเราเนี่ยเห็นธรรมะกว่าเขาสิงนี้รเราแก้ไขสิ่งนี้จะแก้ไขยังไงเอก <c oughs> ารภาวนาเนี่แหละเป็นตัวแก้ไขคือต้องทําไปเรื่อยๆพระนาคามีก็ยังมีมานาวะว่าเออเราดีกว่าเขาอืซึ่งก็ดีกว่าเขาจริงๆ แต่ก็ยังคิดว่าเรามีกว่าเขารู้สึกดีใซึ่งกิเลสตัวนี้มันเป็นกิเลสตัวละเอียดซึ่งระดับเทลามัตเนี่ยเขาแก้กันเพราะฉะนั้นโซดาสกิทาคานาคามีหมดเลยมานะเป็นสังโยชน์ตัวท้ายท้ยมานะอุทธัจจอวิชาสามตัวท้ายเลยซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องสูงมีกันหมดใช่ไหม แต่ใครจะมีละดับได้เร็วได้ช้าแค่นั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้มองเป็นธรรมดามีเราเห็นปั๊บเราแก้น้องมาแก้ท่ตัวเรารแล้วว่าถ้าเกิดขึ้นมานี่ไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกันได้วิเคราะห์ตามหลักของสัโยุตเมื่อพินาตามหลักของสัโยชน์แล้วโอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหมูไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเอ้ยทําไมไม่ละโอ้ไม่ใช่ง่ายที่จะละ แต่เราก็ต้องเพียรพยายามที่จะละแต่ไม่ใช่เห็นว่ามันเป็นกีย์เลสเบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงแล้วเลยไม่ยอมละเลยมันก็จะละไม่ได้ใช่ไหมพอเรารู้ธรรมะมากเข้ามากเข้าเราก็รู้สึกว่าเออเรารู้มากกว่าคนคนปกติที่แบบไม่ได้ฟังธรรมนะอมันก็จะเกิดได้เกิดในความรู้สึกว่าชใช่เหนือกว่าเหนือกว่าดีกว่าสูงกว่าดีกว่าสูงกว่าใช่ไหมซึ่งบางทีก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ ก็ต้องปล่อยวางความรู้สึกนี้ไปอีกให้เห็นว่าความรู้สึกนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอย่างนี้เอาอริสัจเข้าไปจับเกิดมาก็ดับไปเกิดมาก็ดับไปแค่นั้นเองนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นําหน้าเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับตลอดความคิดปรุงมาเราดีอยู่เขาเกิดแล้วก็จะดับไปปรุงมาแย่ของเขาเกิดแล้วก็จะดับไปเสมอเขาก็ไม่เอาอแล้วมาหน้าอีกภุมหนึงก็คือ อ่ายกตัวลดตัวนะถือตัวจัดนะอ่าหัวดื้อสำคัญตนว่าเลวถ้าจังคายยกตัวยกตัวกับเรื่องอื่นทุกอย่างไม่สงสัยเลยนะคะถือตัวจัดหัวดื้อแต่ว่าที่บอกว่าลดตัวอไม่เข้าใจค่ะว่าเป็นมานะด้วยหรือคะในเมื่อเหมือนกับเราแหมะลดตัวนี่ในความหมายว่าถ่อมตัวใช่ไหมอาจจะมาว่าลดตัวเนี่ยลดตัวแบบแบบอ่า เหมือนพูดไม่จริงอ่ะถ้าลดตัวในลักษณะที่อหลีกเลี้ยวรดหย่อนแค่เนี้ยก็ก็ไม่เป็นไรคแต่ในลักษณะที่เอ๊ะเราทําได้แล้วเราบอกเราทําไม่ได้อทำตัวมากเกินไปอ่าจนเป็นโกหกเลยจนกลายเป็นโกหกคือว่าผิดเพี้ยนต่อความจริงมากเกินไปมันต้องเป็นลักษณะแค่หลีกเลี้ยวลถหย่อนก็พอทําได้ครับแต่ทาอาจจะได้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ย ก็มันก็ต้องมีสตเตต่สใช่ไม่ได้ปฏรริเสธว่าทําไม่ได้นะแต่จะอาจาอาจะไม่ได้ดีตามที่ที่คุณต้องการนะซึ่งมันก็ใช่เพราะเราก็ไม่รู้มาตรฐานความต้องการของเขาเะยไหมอย่างเงี้ยดังนั้นคําถามนี้คือว่าคนที่มีมารณในลักษณะนี้พอเห็นใครทําอะไรเราว่าเราทําได้ดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาแต่การกระทําเป็นไปในลักษณะแก่งแย่งอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกเสีทีเดียว ถ้าถูกเนี่ยคือแย่งกันทาความดีเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าควรหยิบช่วยอยู่แล้วในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะคะสิ่งที่เป็นกุศลธรรมต้องเร่งหยิบช่วยเห็นคนอื่นเขาทำนี่ต้องทำใช่โดยไม่ต้องไปอิจฉาเขาใช่ไหมคะอ่าฮะต้องมีมุขที่ตาจิตแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าเราควรจะทําด้วยแต่ทีนี้มนุษย์ธรรมดานะคะอันนี้เราคิดแบบบางครั้งเราก็เป็นเหมือนกับบดไม่ได้แหมันไส้ทําไมต้องบดใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าเกิดขึ้นแล้วในสิ่งที่ควรขูดกล่าอย่างนั้นป่าคะใช่ เกิดปุ๊บเนี่ยเราต้องทันความคิดเหรอความคิดปรุงเกิดได้ไม่ผิดใช่มันเกิดทั้งนั้นนะแต่เกิดแล้วเนี่ยต้องทันความคิดพวกนี้เป็นกิเลสตัวละเอียดเราจะไม่ทันไงมันปรุงมาปุ๊บเราจะเชื่อตามแล้วก็ทําไปดังนั้นในความคิดที่ผลิตขึ้นมาแล้วเชื่อตามแล้วทําไปเนี่ยคือเราไม่ทันเวลามันเป็นความคิดที่ผลิตขึ้นมาแล้วมันเป็นกิเลสตัวละเอียดเนี่ยเราจะไม่ทันดังนั้นจริงๆแล้วกิเลสหยาบหรือละเอียดเนี่ยมันใช้ขันห้ามาทั้งนั้นนะ ความคิดเหมือนกันความจําเหมือนกันค่ะแต่มันไปคิดจําในในสังโยชน์เบื้องต่าและสูงไม่เท่ากันเวลาไปอยู่ในสังโยชน์เบื้องสูงเราจะไม่ทันนะเราจะเชื่อไปเลยว่านั่นน่ะคือเราเราคิดอย่างนี้ค่ะอาจาราหมืแบบว่าบางทีถ้าเกิดเราไปเจอน้องอย่างเงี้ยอ้าทําไมทําแบบนี้อย่างนี้มันไม่ดีนะทําไมไม่อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอย่นี้คือตัวคิเลยที่เกิดจากเราคืออย่าเพิ่งไปฟันทง ทุกอย่างมีดีมีเสียหมด <c oughs> การทำการทําสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าบอกมันมีทั้งอัศวทานและอาทีนวะตนั้นถ้าเราเนี่ยรู้จักที่จะพูดในทั้งสองด้านไม่ถึงกับ ว, ว่าว่าอันเนี้ยมันมันแย่เกินไปหรือมันไม่ดีซึ่งเราเนี่ยต้องวิเคราะห์ก่อนเพราะฉะนั้นมันมาจากการกั้นปลองของเราแล้วที่กั้นปลองว่าเออทำอย่างเนี้ยมันมีมุมดียังไงมุมไม่ดียังไงเราเห็นมุมตรงนี้แล้วก็บอกให้เขาทราบ เขาจะรู้สึกดีที่ที่ว่าเราเนี่ยเห็นทั้งสองอย่างแล้วเาเราก็ไม่ได้ว่าเขาเต็นที่แต่เราเราบอกทางดีทางไม่ดีของการกระทำแบบนี้ให้เขาให้ข้อมูลแค่นั้นเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีความละเอียดแยกภายในคำพูดถ้าได้มาไค่กวนและใช้หลักการทู้เจ้าทั้งหมดเราจะพยายามพูดทำยังไงไม่ให้ผิดหลักการนี้ไม่ให้ผิดหลักตรงนี้แล้วมันจะได้คาพูดที่เหมาะสมออกมา อันนี้ท่านบอกว่าให้เห็นอาัศาธากับอาทินวะตอนแรกบางท่านอาจจะยังสงสัยแต่พอท่าน พ, พูดไปท่านก็อธิบายมาเองนะคะ ว, ว่าเห็นคุณเห็นโทษช่คะทีนี้ก็บอกว่าจะเกิดปัญญาเองเท่ากับว่าถ้าหากว่าเรามีเรามีสติใช่ั้ยคะอันนี้เข้าข่ายหลีกเลี้ยวรถหย่อนที่ท่านว่าไหมคะคือเราต้องมีมีมีข้อมูลด้วยคือสังสมสุตต์ในคาพระศาสดา แล้วก็ต้องมีสติในการที่จะระลึกได้ค่ะนั้นหนึ่งถ้าเราไม่มีข้อมูลพระาศาสดาเราจะระลึกถึงตรงนี้ไม่ได้นั้นอันดับแรกเนี่ยต้องมีสุตาก่อนพระุทธเจ้าจะบอกใครสั่งสมสุตานชื่อว่าสั่งสมอาวุธไว้มากค่ะจากนั้นสติระลึกได้ทันไหมในสุตานี้และทันต่อเหตุการณ์ที่เราจะต้องใช้ก็อยู่ที่ว่าชํานาญไหมมันใช้เรื่อยๆไหมะนะเพราะฉะนั้น เมื่อมีสติปั๊บเนี่ยก็เอามาไข้ควรพิจารณาเอ๊ะจะทำยังไงจะพูดต่อยังไงภายใต้หลักการตรงนี้เดี๋ยวนะใช้บ่อยๆชํานาญปั๊บพิจารณาแป๊บเดียวพูดต่อพูดต่อได้เลยแรกๆอาจจะช้าบ้างนะต่อไปก็จะชํานาญเรื่อยๆก็ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสั่งสมไว้มากๆด้วยความรู้และความเข้าใจพอเกิดสถานการณ์มันอาจจะเกิดปรากฏการณ์เป็นอัตโนมัตินะคะใชใช่ แรกๆช้าหรือว่าเออพูดแล้วค่อยมารู้ทีหลังเออเราน่าจะพูดอย่างนี้อย่างนะเก็บเป็นข้อมูลไว้คราวหน้าเจอเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีมาเรื่อยๆแหละค่ะก็ <c oughs> เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะท่านอาจารย์คะงั้นก็เท่ากับว่ า, าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่หน้าที่จะทําความเข้าใจกันต่อไปก็คือเรื่องของการที่จะ ขู่กล่าวนิสัยที่ไม่ดีที่นี่ดิฉันอยากจะย้อนกลับไปถามที่ท่านบอกว่าถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราต้องแก้ไขนี น, นะคะถ้าไม่แก้เราสะสมไปเรื่อยๆในผลเสียมันคืออะไรคะเป็นอนุสัยความเคยชินออน ะ, ะจะเรียกความเคยชินคือมันจะสั่งสมเป็นอนุสัย <c oughs> มันจะแน่นขึ้นแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นนิสัยที่นุสัย ท, ที่ไม่ดีใช่นุสัยก็จะหมายถึง อ่าสิ่งที่เราทำมากทำบ่อยอ่าจนเกิดเป็นความเคยชินขึ้นมาจึงเป็นอกุศลที่เราทำจนเป็นความเคยชินใช่ใชบ่มเพาะเอาไว้ไม่ควรทำต่อไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นมาแต่เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้แก้ไขใช่ใช่ค่ะในส่วนของอสันเลขาธรรมเนี่ยค่ะเนื่องจากท่านเนี่ยได้กล่าวขึ้นมาก่อนแล้วดฉันเห็นว่า เป็นเรื่องที่พูดได้ซ้ํำๆพูดได้บ่อยๆเพราะเป็นเรื่องที่ใครก็เป็นแล้วเป็นแล้วไม่รู้ตัว uh huh. แล้วไม่ยอมที่จะขูดเกล่าเพราะไม่รู้ว่ามันไม่ดีค่ะก็ขอให้ท่านได้ช่วยขยายความเพิ่มเติมไหมคะว่านิสัยที่เป็นเกันอยู่ทุกวันเนี้ยที่ต้องทิ้งๆจําได้เป็นหลักๆ uh huh. อะไรบ้างคะที่ต้องขูดกลา่าค่ะที่อย่างอย่างถ้าเราจะเห็นช้าๆเนะี่ยอย่างพวกการวิทยาเจนี โอ้วดมายากระด้างดูหมิ่นท่านยกตนผมท่านนะพวกนี้เป็นเป็นเหตุที่ทําให้สังคมเกิดการทะเลาะบบาแหวนที่จอมเทพมาถามพระเจ้าทําไมสังคมมันต้องทะเลาะกันมันเพราะเหตุอะไรเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยตเนียนะใช่ไหมอ่าอิจฉาจะแก่ตเนียขูดกล่าความตเนีต้องมีจาครแก้อย่างไรคร ต้องเป็นคนขยันให้แทนนะคมจาค้านี้ก็ได้ก็ฝึกฝึกจาค้าเป็นผู้ให้ให้น้อยให้มากและให้อย่างหนึ่งคือให้อารมณ์คือสละดละนันทีนั่นเองจิตรับรู้อารมณ์มาละละละตลอดอารมณ์นี่จะหวงเป็นจังเลยอะหวงอารมณ์ไม่คอยยอมไม่ยอมให้ใช่ผูกติดกับอารมณ์ไงเวลาจิต คิอะไรขึ้นมาปั๊บเราจะอยากรู้ต่อจิตจะปลูกกับอารมณ์ด้วยหน้าไหนความเพลินเราไม่ขันละความเพลินนะคะก็ดูเหมือนกับเรื่องที่จะต้องขูดเกลาเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีที่คนทั่วๆไปก็รู้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าขี้เกียจจาก็บอกอย่างนี้เลยไหมคะว่าถ้ามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่ดีเราอย่าปล่อยแช่ไว้อย่างนั้นอจะต้องขูดเกลามันออกไปไม่เช่นนั้นแล้ว มันจะทำให้เราเกิดอาลุสัยใช่ความเคยชินในทางที่ไม่ดีแล้วก็เป็นการปิดกัน้นการเจริญในธรรมอย่ายไงไรใช่ปิดกั้นกุศลไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อกุศลเกิดขึ้นมาแล้วอยู่นานความเป็นกุศลก็จะถูกถอนออกไปโดยอัตโนมัติค่ะเราแค่กลับมาอยู่กับลมหายใจของเราอยู่กับกายเอาจิตอยู่กัายปั๊บกุศลเกิดแล้วทันทีเพราะการเอาจิตอยู่กับกายหรือสติปัฏฐานสี่คือกองกุศลที่แท้จริง สติปัญฐาสี่การเอาจิตอยู่กับกายคือ<ช>กองกุศลที่แท้จริงถ้าถามว่าบุญคืออะไรไม่ต้องไปทําอย่างอื่นทำแค่นี้ก็ได้ทำแค่นี้ก็ได้ น, ไดนั่งอยู่เฉยๆสั่งตัวเองว่าจงมีจิตที่อยู่กับกายนะอ<ช>เท่านี้เกิดกุศลแล้วแค่นั้นเองโอ้ที่จริงทำง่ายนะค่ะง่ายรู้ลมหายใจก็ออกไปพอแล้วเป็นกุศลแล้วถามนักศึกษาแล้วนะคะโจทย์กันยิกๆเลย เหมือนมาฟังเลคเชอร์สั่งสมสุตตะคิดว่าทำง่ายหรือทำยากคะจิตอยู่กับกายใช้ไมเลยคะ่ะ ม, ม, มีอะไรที่จะถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่ถามเราจะคือวันนี้ที่มาก็คือหมายกับว่าอยากจะมาศึกษาตรงนี้ค่ะว่าพุทธวจะนะเนยคืออะไรเพราะว่า ไม่เคยดินมาก่อนแล้วก็บังเอิญหนัอว่าเปิดเจอทางอินเทอร์เน็ตมันก็เลยอยากจะสนใจเอ๊ะเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงไต้องอ่านค่ะสิปงระสุดในนี้ก็เลยถึงมากันเลยอตัวนี้ต้องอ่านและทำความเข้าใจให้มากเพราะนี่คือรวบรวมเหตุผลว่าทำไมจะต้องมาศึกษาคำพระศาสดาพระศาสดาตัดไว้เองคความสามารถของผู้เจ้า พระองค์สั่งไว้เองว่าต้องฟังคําพระองค์และก็อย่าฟังคําคนอื่นนะเหตุของการฟังคําคนอื่นจะเป็นเหตุให้ศาสนาอันตรธานไปเรื่อยๆนะเปรียบเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่ทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปบริษัทที่ศึกษาแต่คําสถาพจน์เคยจะเป็นบริษัทที่เลยใช่ไหมและความเจริญความเสืส่อมศาสนานะทรงจําบทพระชนาต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกและต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนออกไป ในคำภาษาสดาไม่ใช่คำบทอื่นเลย<ช>นะศาสนาจ ะ, จะเจริญเพราะเหตุนี้ใช่หหลักมหาประเทศในการตรวจสอบตัดสินนะแล้วสาวกอยาบัญญัติอะไรเพิ่มหรืออยาเพิ่มถอนข้ะสูตรเหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลโยงใยกันหมดใช่แล้วก็เตือนว่าเธอจะเป็นคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรคำสอนในพระสัทธรรมของท่านนะใช่เนี่ยนั้นโยมต้องอ่านค่ควรในทุก บ, บทปริชนะตรงนี้ให้ดี แล้วก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมจะต้องมาศึกษาคําศักด์สิทธิค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามน้องต่อนะค ะ, ะแล้วพอได้มาแล้วเนี่ยตอนนี้เข้าใจหรือยังคะว่าผู้ทวจนะคืออะไรพอเริ่มจะเข้าใจบ้างแล้วว่าค่ะแต่ก็คือต้องกลับไปอ่านแล้วก็ศึกษาอีกได้ลหลายเรื่งมืนกันอ่าฮะทบทวนเรื่อยๆคคือคำพูเจ้าเนี่ยพูดซ้ำ อ่านซ้ําใกล้ควรซ้ําจะได้ความลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆเพระองค์บอกว่าคําของพระองค์เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลภุตาลอ่านทวนเรื่อยๆทวนเรื่อยๆจะเกิดความเข้าใจความกระจา่างเพรามติความได้ทุกคําทุกตัวอักษรค่ะคืออาจจะเป็นเพราะดิฉันไม่เคยสงสัยคำว่าพทษษุทโธวจนะเนี่ยพอได้ยินน้องเขาพูดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออจริงๆแนละ้วมีคนเขาสงสัย อย่าไม่น่าเชื่อคือเหมือนกับที่ไม่สงสัยคือรู้ว่าผู้ท้วงจะนะหมายถึงว่าผู้เจ้าพูดค่ะแม้แต่ตองที่ทํางานอีกหลายหคนก็ยังสงสัยก็เลยลองมาดูว่าคืออะไรถาม ว, ว่าในที่เพื่อนๆเนีเ่ยไม่รู้หรอกคืออะไรเพราะ ว, ว่าก็ยังยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆที่เคยรู้กันมาเหมือนที่พระอาจารย์ว่าเมื่อวานมีพนักงานของบ ร, ริษัทดัต้าโปรดักต์มาปฏิบัติา 50-60 คน หลังจากฟังบรรยายไปครึ่งเช้าทานข้าวเที่ยงเสร็จอีกคนรีบทานข้ามามาคุยกับบัตมาบอกว่าตอนผมมาเนี่ยผมบอกเลยผมมีอคติกับที่นี่นะอ่าบอกว่าพนักงานชุดแรกผบรมไปเนี่ยห้าหกรุ่นเนี่ยไปพูดกันแบบว่าโอ้โหชื่นชมที่นี่มากเอ้ยมันจะมีอะไ ร, รนะมันก็ไม่ต่างกันวัดทั่วไปหรอกนะอ่า และเขาก็ไม่เข้าใจคาว่าทวัชนะทำไมมันจะต้องอย่างนี้อะไรต่ออะไรอย่างงี้น ะ, ะแต่พอมาฟังวันนี้เขา้าใจแล้วเห็นนะมานี่รู้สึกไม่ดีเลยอตาอตมาอาตมาเห็นแล้วว่า <laughs> มันมีอุปบุญที่มันแบบว่าไม่สนใจะนะพูดไรไปก็เบือนหน้าหนีแบบว่าบเบ้หน้านั่นน่ะแต่หลังจากค่อยฟังแล้วคำถามเขานี่จะแบบ แรงสวนมาสวนมาค่อยๆอธิบายเข้าไปะก็เริ่มเข้าใจนั้นถ้าคนเนี่ยตั้งใจฟังค่อยๆไข่กวนเข้าใจได้ขนาดคนแบบว่าคิดมีปฏิปักมาตั้งแต่แรกก็ยังเข้าใจเห็นไ้มเขาบอกตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วทำไมพนักงานที่ผ่านมาห้ากรุ่นเนี่ยถึงชื่นชมพุทธวจนะ ท่บอกต้องไปฟังต้องไปฟัง <c oughs> อแต่ว่าคือท่านต้องใช้ความอดทนมาก<อ>าในการาที่พยายามที่จะอธิบายทำไมก็คือธรรมชาบบตินแต่แต่อัตามาชอบคนแบบนี้นะก็คือเข้าตรงไปตรงมาเขาอยากรู้ <c oughs> เขาไม่ขอดใจเขาไม่เชื่อเขาก็บอกเขาไม่เชื่อ <c oughs> ว่าทาไมจะต้องอย่างนี้ทําไมจะต้องมีแล้วพอถามไปแล้วมีเหตุมีผลเข้าไปเขาเข้าใจแล้วเขาก็ยอมรับอย่างแบบว่า ง่ายๆนะโดยที่เอใเอใ ช, ใช่ใช่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเมื่ออธิบายมุมนี้ไม่เข้าใจเขาก็แย้งมาแล้ว<ช>อย่างนี้แย้งมาแย้งมาทุกอย่างพอจนด้วยเหตุผลหมดตืออ่อยอมรับใช่นะแล้วครึ่งบ่ายนี่คนละเรื่องเลยนะภาพของครึ่งบ่ายนี่เป็นภาพที่มีสถานละค่ะนะ <laughs> อยากน่งสมาธิอยากได้หนังสืออยากได้ซีดีเอาไปฟัง มาขอเองอะไรเองเสร็จเห็นความสําคัญเห็นคุณค่าในหนังสือแล้วว่าอ๋อนี่คือคําศาสดาแล้วนะค่ะแล้วก็บอกคือชีวิตผมก็เดินตามมาผิดเยอะมากเลยตอนนี้เนี่ยผมก็อยากจะเปลี่ยนละอืมค่ ะ, ะเขาก็ยอมที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ทำตามตามกันมาเพราะเราเชีน้นักเอาคนก็อยากรู้ความจริงแล้วเมื่อคุณรู้ว่านี่มันไม่จริงคุณจะดื้อทําไปทําอะไร ใช่ไหมทุกคนอยากหมดกรรมอยากรู้วิธีแก้กรรมที่ถูกต้องไปแก้กรรมมาแล้วตามแบบของวัดนั้นวัดนี้แล้วความรู้ว่าพระศาสดาบอกว่ามันเป็นไ ป, นปนไม่ได้แล้วจะไปทําทําอะไรใช่ไหมมันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะแหท่ทําตามเข้าไปใช่ไหมเพราะเราต้องการความจริงต้องการพ้นจากกรรมพ้นจากบ่วงทุกจริงจริงแต่ใครรู้จริงเรื่องนี้และใครพูดออกมาได้จริงก็คือพระพุทธศาสาค่ะ เนี่ยขอชี้แจงหลักเหตุหลักผลเข้าใจอยู่ไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากยังมีมุมอื่นที่ไม่เข้าใจไหมคะที่เหนอจะกล่าวขอพยานิษย์เล็งถ้าเกิดมุทาหนือยากรู้ว่าละอะไรเป็นตัวชี้วัดอะเขาว่าที่ทั้งหมดเนี่ยคือในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้พูดไว้จริงอะไรจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เรื่องนี้ดูขอ อันนี้อยากให้ไปฟังในซีดีหลายล้า อ, อบไปหลายร อ, อ บ, <c oughs> อบออนะยค่ะคำถามย้อนอินคําถามย้อนอินอยู่นีคือก็น่าจะมีคนสงสัยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องแบบนี้สงสัยกันได้อ่าฮะมีคนถามอย่างเนี้ยเป็นร้อยครั้งแลละมา ต, <c oughs> ตอบกระจากหมดละแฮปปี้ไปทุกคนก <c oughs> ็อืมจะมีเวลาให้อธิบายมั้ยแหละเอาสั้นๆสั้นๆค่ะก็คืออันดับแรกหลักฐานทางโลกกับหลักทางธรรมหลักทางโลกเนี่ย มีข้อมูลที่ไหนเก่าที่สุดในโลกที่พูดเรื่องนี้สืบสอบไปสินะโยมเคยเห็นนักวิทยาศาสตร์แต่ละค น, นะรู้ได้ไงมันมีนมตัวตนจริงรู้ได้ไงฝรั่งมันไม่โกหกเพราะเราทดสอบทฤษฎีมันถูกต้องไหมค่ะอ่านั้นหลักการเดียวกันรู้ได้ไงพระเจ้ามีจริงไปตรวจสอบสิหลักปฏิจจสุบาทเมื่อวันก่อนก็อธิบายไปให้แล้วใช่ไหม ว่าเกิดความอยากพ่ออะไรอ๋อเพราะพ อ, พอใจพอใจพ่ออะไรพาะมีผัสสะครูเจ้าพูดมาสองพันกว่าปีแนละ้วเห็นนะไม่ตรงหรอตรงไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยมีกายมีใจ ม, มั้ยมีตรวจสอบได้เป็นปัจจตานคือรู้เฉพาะตนคลิปมีไหมมีอิสลามีไหมมีเป็นมนุษย์ไหมล่ะถ้าเป็นมนุษย์มีอาการอย่างนี้ลูกตามีไหมหูมีไหม กระทบแล้วเกิดอะไรพอใจไม่พอใจเกิดความอยากไม่อยากเกิดความยึดขึ้นมามีหมดทุกคนนะโยมและสิ่งเหล่านี้มีในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถอยไปถึง2 5 0 0นักว่าปีนะจากข้อมูลในบาลีเสีมรัฐนะก็คืออันนี้นะเล่มที่เก่าที่สุดนะนะจากบาลีเสียมรัตภาษาบาลีนะซึ่งมีทั้งข้อมูลที่เป็นคำศสพท และข้อมูลที่แต่งขึ้นอันนี้มาจากไหนเอามาจากตั้งแต่รห้าซึ่งทุกสํานักทุกวันเนี่ยใช้ข้อมูลตัวนี้มาแปลมาศึกษาทางนั้นนั้นยมถอยไปสิหนังสือที่โยมเรียนเนี่ยเอามาจากไหนออนหนังสือนี้เอามาจากนี้นี่เอามาจากนี้นี่ามาจากนี้มันจะมาชนที่นี่เขนะ้าใจไหมรู้จักวิธีสาวหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วอันนี้ามาจากไหนอันนี้ามาจากรหนึ่งเก็บไว้ใน บ, บรรดาที่ออกบรรเทียนธรรมบัณฑ์แล้ว ร้อนหก็มาจากไหนเอามาจากยุคล้านนาะล้านนามาจากยุทธวราวีทวราวีเมาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชพระเจ้าโศกเอามาจากการทรงจําของพรลานห้าร้อยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้รับการถ่ายทอดกันมาข้อมูลตรงนี้ไปตรงกับข้อมูลในเสาหินนโซไปตรงกับข้อมูลหลักฐานในศิลาจารึกของประเทศไทยพันกว่าปีที่เจอที่ลบบุรีและเพชบุรีขุดเจอในอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยนี่หลักทางโลกแค่นั้นนะ จากนั้นเอาข้อมูลหลักทางโลกมาตรวจสิๆๆว่าณวันนี้เนี่ยมนุษย์มีอาการอย่างนี้หรือเปล่าพัสาะแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานกลางกลางสายจากนั้นสาวขึ้นสาวลงเช็คความจริงที่ไม่มีใครในโลกปฏิเสธได้เนี่ยเป็นบทพิสูต <c oughs> นน์นี่เป็นหลักทางโลกอุตตระหลักทางโลกแล้วอะไรคือ <c oughs> ไม่จริงเราจะปฏิเสธได้อย่างไงใช่ไม เนี่ยง่ายๆนั้นต้องเข้าไปหาเลยเข้าไปศึกษาเลยสงสัยศึกษานะส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของคนยังไม่ศึกษาแล้วก็จินตนาการไปเองแล้วก็มักจะคิดโอ้ยหลักฐานเป็นพันปีมันจะเหลืออะไรใช่ไหมคิดไปเองน ะ, ะแล้วก็ตรวจสอบไม่เป็นเมื่อเข้าไปศึกษาปุ๊บจะเห็นว่าพระเจ้าบอกระบบการตรวจสอบไปดูพระเจ้าสัรพันญูรู้อนาคต ไม่มีประมาณรู้ศาสนาจะเสื่อมยังไงวางหลักการไว้หมดตั้งแต่พระองค์เองจะต้องพูดไม่พลาดด้วยการกําหนดสมาธิครั้งในการพูดคำต้องไม่ขัดแยง้งคําต้องเป็นอาการริโหมนุษย์คนเดียวที่ทําได้คือพระเจ้าบอกคุณสมบัติไว้เสร็จในเล่ม น, นี้แผ่นพับตรงนี้นไะถึงบอกต้องเอาไปอ่านเห็น ไ, ไหมจากนั้นโยมต้องมาศึกษาถ้าไม่ศึกษาโยมจะไม่รู้ที่พระเจ้าบอกคําไม่ขัดแยง้งคำมันเป็นยังไงมันมองภาพไม่ออก เพราะเราไม่เคยเห็นมนุษย์คนใดในโลกแล้วพูดมันไม่ขัดแย้งกันเราวิเคราะห์ไม่ไม่เป็นไงเพราะเราไม่เคยเห็นตัวอย่างแต่ถ้าโยมเนี่ยกระโดดเข้ามาศึกษาคำศา ส, ะสะดาใช้เวลาสักปีหนึ่ง2ปี6กเดือนปีหนึ่ง2ปีกระจ่างแน่นอนในชีวิตนี้ถ้าขอทุ่มเวลาสักแค่นี้แล้วเข้าใจธรรมะพระศา ส, ะสะดาแล้วใช้เป็นหลักไปได้จนตลอดชีวิตมันคุ้มค่านั่งเรียนมาสิปี 12ปี14 15ปีปีเพื่อได้เรรงยาตรีสักปีโยมสลาสักปีนเรียนตรงนี้แล้วจะใช้เป็นหลักของโยมไปได้ตลอดชีวิตเห็น ไ, ไหมแค่นั้นเองง่ายๆขาเข้าใจไหมอ่านะคะนี่ก็เป็นการอธิบายอย่างสังเกตนะฮะจริงๆมีรายละเอียดเยอะใช่ค่ะแต่ว่าทุกท่านจะ ม, มีคู่มือแล้วฉันดูแล้วว่าไปอ่านต่อกันได้ทีนี้ก็เอาไปทดลองนะคะพี่ว่าที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยทดลองง่ายๆคือ ท่านตัดในบางส่วนของสายปติจจาว่าเมื่อเรามีผัสสะกับอะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปสัมผัสกับอะไรแล้วเรามีความรู้สึกว่ามีชอบไม่ชอบมีเวทนาไหมนะคะมีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นหรือเปล่าอยากเสร็จแล้วยึดเป็นของเราหรือเปล่าอันนี้ไปทดสอบเองเพราะว่าตอนที่พี่รู้จักเรื่องพวกนี้ใหม่ๆนี่ก็โอ้สนุกมากมีความรู้สึกแหมใช่ใช่ใช่นะคะแล้วยังไม่ต้องเชื่อ เมื่อเราพิสูจน์ได้แล้วถึงเชื่อเ uh huh. ข้าใจเขาวันนี้จะขออนุ ญ, ญาตอ่านบทนี้ให้น้องเ้าเลยค่ะ uh huh. แล้ก็ท่านทั้งหลายด้วยตัดตอนมาเฉพาะเรื่องที่พระพุทธองค์นได้ส่งยืนยันว่าคําพูดของพระพุทธองค์เป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่จํากัดการเวลาเรื่องทั้งหลายถึงแม้ว่าจะพูดมา 2,000 กว่าปีจะถึง 2,600 ปีในปีหน้าแล้วเนี่ยนะคะพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานําไปแล้วด้วยธรรมนี้ อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมให้ผลไม่จํากัดการเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยคือลักษณะคำพูดของพระพุทธองค์ที่เวลาจะผ่านไปอย่างไรก็ยังเป็นความจริงอย่างนั้นและพิสูจน์ได้ค่ะวันนี้เราก็มาในมห ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลนะคะที่ได้นำเอาความรู้ที่เป็นคาสอนของพระพุทธองค์ ทาวินัยพุทโวจนะจากพระโอษฐ์มามอบให้ในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทวธจนะนี้ค่ะ ด, ดิฉันชื่อสวีวันนามสกุลหลินค่ะชื่อภาษาอังกฤษเจนนี่ค่ะเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนและญี่ปุ่นค่ะมาเกือบ20ปีแล้วค่ะโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยดิฉันเนื่องจากว่าไปเรียนอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กแล้วจนโตแล้วก็ชีวิตและสังคมส่วนมากจะอยู่กับคนต่างชาติแล้วก็ไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วพอหลังๆรู้ก็ไปใสยบัตรทั่วไปค่ะ โตมาได้ข่าวทางวนาป่าพงนี้แล้วก็เริ่มมาฟังพระอาจารย์พูดถึงออพุทธวจนะก็สนใจเอ๊ะทำไมพุทธวจนะแล้วการ น, นั่งวิปัสสนาก็ปิ๊งคําพูดของอาจารย์ที่ว่าละนันทิแล้วก็รู้ลมค่ะเราก็เลยลองไปศึกษาดูทดําดูแล้วปรากฏว่าวิเศษมากค่ะซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยสิ่งที่ได้ที่สุดก็คือปวดทุกข์ค่ะคือใครมีความทุกข์ก็จะ หมดทุกไปเลยแล้วก็แอปพลายใช้ได้ทั้งธุรกิจแล้วก็หน้าที่การงานอื่นๆไม่ใช่ว่าจะมาว่าเออมีความทุกข์แล้วมาคุณถ้ามาฟังออพุทธวจนะแล้วก็เอาคำสอนของอาจารย์คือกริดไปตามใช้แล้วก็ทำให้ได้จริงตั้งใจจริงแล้วเห็นผลแน่นอนค่ะ ท่านชมคะวันนี้เราได้ความรู้จากพุทธวจนะไต่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เน้นในส่วนที่ว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นมีความอัศจรรย์คือเราสามารถที่จะพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองได้แล้วจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าหากว่ารู้แล้วไม่นาเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ที่เรียกว่า เป็นปัญญาเฉพาะตนของแต่ละคนหรือว่าเป็นปัจจัตัง น, นะคะวันนี้เราก็จะลารายการกับเป็นเพียงเท่านี้ค่ะติดตามรับชมรายการ<อ>ผู้ทวจนะซึ่งจะมาพบกับท่านเป็นประจำทุกวันกันได้ใหม่นะคะผู้ท ว, ส, วสดีค่ะก็ขอให้ผู้ชมรายการผู้ทวจนะเนี่ยมันเป็นผู้มีความเจริญเจ้าหน้าในชีวิต คิดบางสิ่งใดขอให้สาเร็จสมความปรารถนาเภ่าเหตุแห่งการสร้างสิ่ที่ดีเป็นผู้ไม่หางจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทําความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวัให้งอกงามหมายเป็นผู้มีกําลังคือมีกําลังสติกําลังศรัทธากําลังวิริยะความเพียรสติ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 จนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงใจทำสมุจมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน